อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภิยากริดพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นอก e 20ุศลและที่เป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากริดพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหมสภาวธรรมที่เป็นกุศลและท evet okay. ี disputes, ่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิพึงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้บ้างไหม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 สภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพิงเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเพราะณนะอารามณนะปัจจัยได้บ้างไหมในวงเล็บแม้ในอนุโลมปัญญียผู้รู้เพิ่องอธิบายบทให้พิสดานเหมือนกับเหตุตุปัจจัยในอนุโลม4 6สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเพิงเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปั จ, จัจเพราะณนะอธิปฏิปั จ, จัยได้บ้างไหม